ความบริสุทธิ์ภายนอกกันอย่างนี้นี้มันมีแต่อบลืมอบตามนี้เฉยๆไม่กระทัพต้องงึกนั่งทะเลตั้งไม่อยู่กับชีวิตเรื่องน้อยยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความเรื่องน้อยเรื่องหลอกทั้งนั้นแม้ขณะภาวนาก็ยังเรื่องน้อยเราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนว่าคนนี้ทางไม่ได้อยู่สถานที่เรื่องน้อย ไม่ให้ทําเรื่องลอยมีเข้ามันได้อ่าคิดถึงเรื่องพุทธกาลนั้นน่ะครึ่งเครื่องทําใจของเราให้ก้าหาญชัยชัยให้ดุดดันพระภิกษุเจ้าเป็นพระองค์แล้วทรงผ่าอุปสรรคนานาประการ น่ะเป็นตัวตามคุณนานท่านได้แต่รู้เป็นพระพุทธเจ้าคุณนานเราก็ถือท่านเป็นตัวอย่างที่ยิ่งยลเป็นเมตตาบรรนี่คืออุดมที่มีที่เลิศมีมากยิ่งกว่าเทพพุทธเจ้าตามพระสูงอย่างการคิดเป็นกับใจพระสงฆ์เขาเราไปเห็นอ่านในประวัติคุณสาว เมื่อองค์ใดมาจากสกุลใดแม้เอาเยี่ยงเรานิกเป็นนิสัยของสกุลนั้นๆมาช้ามาเอาหลักธรรมหลักวินัยเป็นพระติตัวอย่างเป็นตระกิดนิสัยไปเลยภายเทออกหมดนิสัยที่เคยเป็นมาจากภาระว่าที่เกี่ยวกับมโนสมบัติพระราชความเป็นใหญ่ ไม่เป็นผู้มีอำนาจอะไรนี้ตัดเอาหมดมันเหี้ยอะไรมาสร้างเอาใหม่ซึ่งเป็นอดีตนิสัยที่กุมคืนกันด้วยธรรมพระมหากษัตริย์ที่ออกบวชแต่ขั้นภัตตาคารมีไม่รองเสด็จไปประชาชน ในท่านคนทุกข์นั้นเป็นไตรปุริสเจ้าทรงรับเป็นลูกศิษย์สาคนหมดไม่เห็นแต่ว่าคุณนั้นๆมีคนทุกคนโตมไม่เป็นอย่างนั้นเพราะธรรมให้ความขลังภาคให้ความดื่มดินเจตทุกหัวใจไม่เรียกที่เราความดื่มดินกับคุณนั้นขึ้นอาศัยลัคณ์เป็นที่ตั้งทําให้ได้วัฏฏ์ทําเพื่อจิตใจ ถ้าใจดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีอืมไม่ทราบนะครับต้องคลุมหัวกับการทหารประมาณนี้อืมครับนั่งเล่าจนไม่ถึงกับหมอสงสัยพูดนี้นึกปิ่นเล่าเราเบื่ออ่ามาพูดถึงน่ะเคยมาทั้งหลายหัวนี้แล้วมาครั้งสุดท้ายก่อนครั้งนี้หรอ ผู้อื่นคนหนึ่งเขามาเล่าลําพองมาให้ฟังมาก็ผมนี่แหละหลายคนด้วยกันงานนั่งฟังมาตรงมรรคโลกคอนตรงทํายังไงเออพอว่าอย่างนั้นทีหลังสัมมนาอธิบายให้ฟังแต่เราถือมันเป็นเหตุตีนกับบางคนอืมนิสัยของโลกเค้าก็ยังมีโยกมีคอน นานพอนานไม่ใช่นามคุณตายผู้พลานาสังเกตคุณตายทําไมจะกระดุกกระดิกหรือโยกคลอนบ้างในร่างมันนี่มรรคสักกุประมาณ 1,000 พันขวานเป็นงานโยกตัวเคลื่อนไหวตัวไปตามกําหนดของการทํางานนั้นๆขึ้นไปนี้ทั้งนี้ อาจารย์ก็มาหาดิผมกินเหล้าเมาเหล้าจนหัวพักสอต่อไม่เห็นตําหนิอะไรไม่พอโดดตัวพันนั้นก็ตําหนิถ้าตําหนิจะต้องมีคนให้มันต้องพูดอย่างงี้อ๋อสิพูดด้วยหน่อยเอา 57 สักบาทงามเมาจนหัวพักหอใจ ที่ไม่อยู่กับตัวไม่เห็นตั้งแต่จะมันกลายเป็นบ้างหรือที่มีก็มีกันว่างั้นอ่าที่คนเราพิจารณาให้เป็นเป็นทางต้องมีความสม่ำเสมอถ้าเป็นทางดีก็ค่อยจะทําหนีอันถ้าทําไม่ดีก็ไม่สําเร็จนะ เรื่องก็กระปูบานเนื้อทางคนเดียวกําลังออกหมดสัก 4 ปีกลับมาเป็นคนเฒ่าทหารที่หมู่ที่เสียแล้วประทิท่านแม่ที่บอกว่าสบายดีกว่าจะไปทิ้งกัน คนไทยคนนั้นเขาก็มองหน้าอื้อแล้วทางหน้าทําเหมือนกับประคูบาลโหมันไม่ใช่รัฐบาลอื้อเหมือนประคูบาลนั่นท่านมาห่วงใยวุ่นวายประสบคุณอะไรดูเป็นระบอบธรรมดานี่ท่านผู้มุ่งบัดนี้ทํา ต้องไม่ผลตาไม่ยุ่งไม่มีวายครับโลกสงสารกับสกุลนั้นสตรีนี้มีความหนักแน่นในธรรมสมุนผู้ที่จะตอบถอนกิเลสทั้งปุถุบาลทั้งปุถุคานองค์ไหนหมดมามีแต่จ่อกันแค่นี้หมดน้อมหมดขึ้นทั้งหมดคุณมีทุนจ่อกันนี้ ใครดีใครอยู่ใครไม่ดีตกเวทีลงไปนี่เราเหมือนเจ้าก็คือเลขว่าใครดีใครอยู่ใครไม่ดีตกเวทีคนมากมันขึ้นไปยังไม่เลยเหยียบบนพื้นเวทีถูกที่เลยมันตีหนังไปแล้วนักมวยมีท่าจะสู้เลยทุกคนป่อยกันอืมต่อสู้กันนั่งคนซื้อ เราคิดถึงพระธรรมคําสอนเราเสมออย่าปล่อยใจไปกับนี้เรามาอรรถาธรรมนี้สัมมาพุทธถอกถอนสิ่งไม่ดีที่มีอยู่ในหัวใจตานี้ในเรื่องโลกมีตัวโยมอย่างเดียวกันกับที่มีในหัวใจเอาไปสนใจธรรมะธรรมนั้นของเราก็มีอยู่แล้ว เรื่องของโรคความโกรธความหลงความรักความพังสมบัติประธานก็เกิดมีมาอัสสะ 105 วันเท่านั้นเหตุสังสังปรากันก็เคยมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมโลกสมุติมันก็ต้องเกิดสังสังปรากันเพราะโลกสมุติถึงจะต้องมีเพราะกันมาหน้ามันเพิ่งมามีอย่างนั้นตั้งเดิมตามความสมมุติของโลกเมื่อมีสมมุติแล้วความ Mereke 9000 kram, miinigas do, som ha sửng, Sert sán tăng dò, khan kiri mừng thăng bada. Rao hukari bada tham, Nero Pai Lũng. Dung Sert sán tăng dò, Nero Pai Lũng. Pham lắp con sang khứa, Hain kiri, phun hain periulet ai, Jare la vang. Phun hong hann kiri kiri maa, Tui nàng mai. Không hi ha, Mere quam sụp viên đo, Mere quam sông ục yên cay, Mabula, Hay mere quam tướng gặp kiri quam tổng sáy, พบความนิ่งของบรรเทากับจิตนั้นเมื่อเวลาสะกดความสงสัยเป็นความสงบเหมาะกับการปฏิบัติธรรมนี่เวลาจะได้สุขมีความสงบเย็นใจของเข้าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่พบความทึบหรือเห็นผิดเพราะนี้อนุรักษ์หนทางซึ่งเป็นการสะสมกิเลสโดยไม่รู้ตัวอืมจิตของเรานี่มันไม่เลือก <X UR R peaks> วิยบทนั้นเข้าใจว่ามันสั่งสมกิเลสได้ทุกๆระยะไปทุกๆขนาดถ้าเราเผลอเดินจงกรมอยู่มันก็สะสมกิเลสได้นั่งภาวนาอยู่มันก็สะสมกิเลสได้วิยบททั้งนะ 4 นะทุกเวลามันมีทางสั่งสมกิเลสได้ฉะนั้นถ้าเราเปิดตัวมือ ทางสู่การตามสติวันนี้รักษาตัวการต่อสู้ก็ต้องมีหนักมีเบามีทุกข์มีลำบากไม่เพียงนั้นก็ไม่เรียกการต่อสู้ตัวที่เฉยก็ไม่เรียกว่าการต่อสู้เราไม่เฉยเรามีสติติดตามพยายามต่อสู้กับสิ่งที่เคยเป็นสัจธรรมของเราซึ่งอยู่ในหัวใจเรามานานพยายามแก้นี้ ใครไม่เคยเห็นเรื่องของนิพพานจึงไม่กระทือร้อนเคยเห็นอะไรสิ่งที่เป็นนิ่งในโลกนี้ซึ่งต่างกันกระทือร้อนน่ะนะอืมนี้ก็ไม่เคยเห็นก็ไม่ทราบกระทือร้อนเหมือนกันเราที่เอาแต่งมตามเราเพิ่นพูดอยู่ก็คิดต่อสัทธนังเป็นผู้ปฏิบัติดู แต่เราละดุนี้ความมีสติระลึกวิเศษถึงธรรมถึงกับขั้นปฏิวิรุฬหะภาวะท่านเริ่มเริ่ม 10 พวกเพื่อปิตาภรณ์มาเพื่อความมีสติในจึงออกกําลังสร้างแต่ธรรมให้คุณมรรคตรงหนอพอให้เกิดผลขึ้นมาในขั้นเบื้องแรกจิตมีความสงบตัวข้าตระงวัลทั้งหลายหรืออย่างน้อยเบาจากอารมณ์เป็นเบื้องต้น คาตตารมในลําดับต่อไปเนี่ยจะเป็นช่วงระยะหนึ่งก็ตามเราจะเห็นอะไรบ้างอยู่ในจิตนะไม่ต้องบอกอืมความสงบมีแล้วความเย็นไกลความสุขมีมาอยู่ยิ่งจิตคาตตารมเมื่อขณะสมาธิไม่ผูกต่อกับเรื่องอะไรมีเนื้อจากความมัวมัวนั่นแหละคือความสุขแท้ ทางด้านธรรมะคือความเอาเมื่อความสุขแท้นี้มันหมายถึงแท้ที่สุขแห่งธรรมที่สุขแห่งจิตที่สุขแห่งมรรคนิพพานแต่เป็นความสุขแท้ที่ไม่มีอะไรครอบแขนด้วยยาพิษเหมือนอย่างความสุขในทางโลกเป้าหมายเกี่ยวกับอย่างนั้นต่างหากเพียงขั้นนี้เราก็พอมีความสุขก็พอจะมีแก่ใจและพอเป็นหลักฐานพยาน Dương dân, tỏ tham vương sũng, cung tài hòa. Tạ tong, tên tay chặt nín. Lạc tham, đưa răng bai leo, dưa leo, sỉnh leo. Hoam tuyệt pa la tòm, ha tàn tăng, Chỉ tăng nói chút, né chua, khá nặng điều tha nín. Hoi, pa hai lọc phùm chặt nín leo. Nhìn người bà sư bạc, hai lý viet, lạ oi. Lýn bức sư, hình quả nín. Tạ tên nhằm lại. ที่มันคาดมันมันมันตึงไปเลยในเวลาคาดคะนีอะไรคือมันตึงไปทําไมเวลาปลัดเลยแม้นักบวชก็อยากเข้าใจว่าจะมีความสุขนะความสุขไม่ได้เกิดอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะกรรมไม่ทําร้ายทํานาทําบัวทําเสือที่ถูกขวางแครงทําพระราชกะทําราชการงานเป็นความสุข ถ้าเนี่ยทําผิดนี้ไม่มีเพียงเท่านั้นในขณะที่มันไม่ทําผิดนั้นแต่มันก็สะสมพูนไฟวิเนตกังหาราคะขึ้นไปในจิตใจให้เป็นไฟเผาตัวอยู่นั่นแหละนี่เมื่อสิ่งเหล่านี้สะสมตัวขึ้นมาฝึกตัวขึ้นมาโดยอํานาจแล้วผลมันแสดงออกมาทั้งเป็นทุกข์จะเป็นอะไรอืม นี่ละทุกทั้งนั้นมันมีอยู่พันนิดมันเลือกว่าเป็นนักบวชด้วยคราวว่าเพราะไม่กลัวพระเหล่านี้ไม่กลัวศีลสานั้นโน้นวิเลขไหนไม่กลัวกลัวแต่สติปัญญาเพราะพาความเกียจกลัวเท่านั้นอันไหนที่เก้กลัวเราต้องการจะปลอดภัยวิเลข ถ้าตามที่เรียกขึ้นเข้าลงไปอันใดที่เดือดเกล้าต้องปั่นสังหรณ์นี้เราก็พยายามปลดผลอกตนสิ่งนั้นขึ้นมาให้มีความสันนิษฐานมีมีความแก่กล้าสามารถเช่นชาติปัญญาเป็นสําคัญที่ที่บอกว่าความกลั่นไปมากน้อยเพียงใดก็ตามข้าพติปัญญาเป็นผู้ควบคุมอยู่เสมอจิตนั้นจะมีความสงบได้เมื่อผ่านโทษ ไปตามอรุณมากิเนตของตนนั่นคือที่หาค่าอีกหน้าก็คือสติกับปัญญาทุกข์ก็ทุกข์มันเกิดตั้งตายในลบเกิดมาทําทําทับสัตว์เกิดกับตายกับคือความทุกข์นั่นเองเกิดก็ตามเป็นอยู่ก็ตามตายก็ตาม มันเป็นนั่นของทุกข์ทั้งนั้นปิเยวะทุกขังอันนี้ประจําชาติปิทุกข์เนี่ยเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกข์เกิดก็คือทุกข์นะอะไรนําไปทุกขังเกิดอนตายก็เป็นความทุกข์นั่นท่านว่าไว้ตรงไหนมั่งหรอคือความทุกข์นี่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของเราที่เคยแบกเคยหามเคยประทุษประทวนมาเรื่องฟังที่เราเถือนมาแล้วทั้งนั้นนี้ไม่น่าสงสัย มันมีแต่ว่าความไม่เกิดไม่ทุกข์บุคคอธิอาจารย์ท่านสัจความเกิดไม่มีทุกข์ยังไม่มีในหัวใจเราความสิ่งที่เลิศไม่มีทุกข์ภายในใจก็ยังไม่มีในใจของเรานิพพานปรมังสุขังหรือว่าสัพพปฏิเสกังขันธ์อนุปาทิเสกังขันธ์สิ่งที่เลิศ โดยชี้ชวนแล้วยังเหลือแต่ความรับผิดชอบในขันธ์ที่เรียกว่าสอุปาทิเสริญภัณฑ์และสิ่งที่เด่นนั้นโดยชี้เชิญด้วยขันธ์นี้ก็มีสัจฉราตัวลงไปแล้วด้วยเป็นอนุปาลีโดยการนิพพานโดยสมบูรณ์คือไม่ต้องรับผิดชอบสิ่งใดขึ้นชื่อว่าสมุติแม้ระดับจึงอะไรก็ปล่อยโดยชี้เชิญนี้ยังไม่มีในจิตใจของพวกเรา นักปราชญ์ทั้งหลายท่านชมเชยอย่างยิ่งด้วยคนโง่น่ะคนโง่ท่านชมเชยสิ่งที่ต่ําสิ่งที่ชั่วก็เป็นของดีปราชญ์ทั้งหลายชมเชยสิ่งที่ดีว่าเป็นของดีสิ่งที่เลิศว่าเป็นของเลิศรู้ตามความจริงชมเชยตามความจริงไม่คิดไม่เปลี่ยนไม่เสร็จไม่สังข์ ให้ดึกมันเดียวให้เป็นอย่างอื่นดังบาตรหลักความจริงที่มีดังบินไม่เหมือนโลกโลกเอาประมาณมาหน้าชอบอะไรก็เสพสังขารที่มาสิ่งสังขารที่มาก็หื่อกันหื่อกันเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วความหื่อกันหลงกันนี่ก็ก็เรื่องของกิเลสนั่นเองมันก็แสดงให้เห็นในศรัทธาถ้าเราจะดูมันก็รู้มันทั้งนั้นดูธรรมกับกิเลสนี้ ไม่ฉากเดียวกันมันเห็นดูธรรมก็รู้โดนของทีเด็ดด้วยไม่รู้เพียงแต่ธรรมน้องให้ลับมือลงไปนี่ถอยขึ้นมาก่อนถ้าถ้าอันแรกปัญญธาคมก็เป็นมาแล้วมันแล้วจะผลเกิดอะไรมีความจริงความตั้งตั้งสติให้ดีอย่าลดหย่อนละอ่อนเพลในความตั้งสติ พระคุณนิพพานนี้จะปรากฏขึ้นมาได้ด้วยอานาถของความภักเพียรของความอดทนมีสติปัญญาเป็นเครื่องเป็นเครื่องสําคัญฉันทะนี่ในอิทธิบาท 4 ให้พอใจในความภักเพียรเพื่อมาคุณนิพพานยิริยะเอาฉันทะพอใจยิริยะภักเพียรหิฏฐะอย่าเอาคิดไกล ปฏิหานหูลจากจากความคิดนี้ที่มังสาจะพิจารณาพูดแต่ธรรมอะไรความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจให้มีปัญญาพิจารณาควบคุมอยู่เสมอไม่ว่าจิตนี้กันมีปัญญาประิทธิบัติทั้ง 4 นั้นจะได้ฆ่าที่ในอีกิมาทั้ง 4 ทํามรรคาในหัวใจเรานี้หาในตําราก็มีแต่ชื่อ โดยที่ว่าจริงๆไม่มีนะฉันทะมีจะอ่านทั้งคือเป็นฉันทะผู้ที่จะทําฉันทะให้เกิดพอความพอใจให้เกิดเป็นใครท่านไม่ทราบวิริยะผู้ที่จะเพียรคือทั้งทีว่าเพียรอ่านมันยังคําก็วิริยะวิริยะนี่นั่นมันอยู่กับคนอืมด้วยพระวิริยะปิตตังมังสาด้วยอุปบัติสิ่งอยู่ที่นี่ มันบำเพ็ญมีเป็นข้อมูลงามมรรคผลนิพพานเมื่อต้องถามจะถามได้ไงมันเพราะสิ่งเหล่านั้นอยู่ที่นี่ในอยู่ที่ตามณสถานที่หนึ่งในลานนี้เมืองนั้นเมืองนี้บางไหนก็เป็นของท่านผู้รู้อยู่ในเมืองนั้นสถานที่นั้นเวลาเท่านั้นของท่านกิเลสไม่มีการไม่มีสถานที่ yep. การประกอบความเพียรเพื่อบุญนิพพานเราจะคิดถึงแต่การระหันที่อย่างนั้นมันไม่ทันกับวิเศษซึ่งไม่นิยมการระหันที่นิยมแต่การสร้างตัวเองมันมีพลังเรื่องงานมากขึ้นด้วยครอบหมอนใจสัตว์โลกเท่านั้นเรื่องของวิเศษมีขนาดนั้นงั้นเราจะทําอย่างไรจึงจะมีความเพียรสละสามารถทันกับเหตุการณ์ จิตเด็ดคิดปรันตัวอยู่ตลอดเวลาภายในใจของเราเราสามารถถอดถอนและยึดจับมันได้มีบาปวิถีทางต่างๆของเรานี้ล้นผลฝ่ายการอยู่ด้วยกันไม่ใช่สิ่งของแน่นอนมันไม่ใช่สิ่งของที่รังถาวรความรักแท้แท้นั้นมีอยู่ทั้งหย่อมหญ้ามีที่แท้กันทุกคนทุกบุคคลทุกเราทุกท่านเวลาอยู่ด้วยกัน เนื่องคาที่จะพยายามประกอบความเพียรตักตัวเอาให้ดีขึ้นด้วยปัญญาความสามารถก็ให้รีบทําเถิดผู้ว่าตามที่ให้อุปาธสอนที่จะให้ถูกต้องแน่ดํานี้เป็นที่ปรึงใจกับมิแสงของเรานั้นมีน้อยไม่ใช่จะมีอยู่แค่ทุกคนทุกตระกูลหมู่บ้านไปสถานที่ประกอบความเพียรก็เหมือนกันมีกันได้ทุกสถานที่ที่เราต้องการไปในเวลานี้มี เวลาโลกเป็นอติหายโลกเป็นปฏิสัจ 3 โลกจึงย่อมเป็นถีังประกอบความภาพความเปลี่ยนมีไปทางที่ใดก็ละมากโลกมันเปลี่ยนแปลงนี่เรื่องของเค้ามันเป็นงั้นน่ะมันมีที่ไหนมากๆมันก็ทําให้เกิดความดราม่ามากทํามีถึงทางที่ใดก็ทําประสานกันนั้นคนนั้นให้เย็นเห็นกันอยู่ชัดอย่างนี้ถ้าใครจะเทียบกดเทียบเอา ขอขอบคุณมีอยู่ในกันถ้าจะดูว่าเห็นทั้งโทษทั้งคุณเรื่องของที่เป็นไงมันให้คุณอะไรบ้างเราก็ก็สร้างได้คนทุกข์ทุกข์เพราะกิเลสนะทางกิเลสให้คุณนะโลกให้ควรจะทุกข์ให้ควรจะบ่นกันมีคนที่ได้ร้อนกันนี่ก็เพราะอํานาจของกิเลสมันเลยทุกข์ถ้าเกิดยังโทษมันก็ควรหินถ้าจะล้นความบาเมนะไม่ได้ถอนไม่ได้ยังไม่มีบาสักติดสัญญา เพราะมูลเท่านั้นพอที่จะถอดถอนลงไปใจได้ก็มีนี้กับประมาณอนุภาคของพอดีนี้มีกิโลกริดปิตรว่าถ้ามันเผาแล้วกินมันมีอะไรเหลือเลยมันนี้ถูกต่อผู้คนบ้างแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นนี่ละโทษนี้เนี่ยนะ อยู่ที่ไหนก็ไม่แปลงคุณจากใครมีมากมีน้อยก็กระดอนความทุกข์มากน้อยขึ้นตามสาเหตุกิเลสที่เกิดขึ้นที่มันมีอยู่นั่นแหละนักธรรมในหัวใจเราก็เหมือนกันกิเลสที่มีอยู่ในนั้นอุปติสังขาติขาดไปเมื่อไหร่แล้วกิเลสจะได้สงบกลัวถึงมาได้นักแข่งอํานาจนี่มันมันโขนาก็ตัวร้อนตรงนี้ บางคนก็ไม่เป็นทางหน้าผากิก็เป็นทางพอมันเป็นทางที่ไต่มันปัดมันกอดมันยืนอยู่มันว่ามันอีกหน้าแล้วอาจารย์มันอ่อนแอร์ไปหมดนี่ถ้าที่ได้ใส่เข้าเหยียบกลางที่ตรงนั้นน่ะมันอ่อนเปียกไปหมดมันมีความข้นขังตัวต่างที่ประกอบความคงที่มันน่ะแบบหนักทีนี้คุณไม่มันมีอำนาจมันบังคับ นั่งกายจิตจะมาให้อ่อนลงแต่ยกความเพียรก็ไม่ได้เดิน 1 กรมก็สัตว์แต่ว่าเดินกติย้วนมาทางไหนก็มีนั่งก็สัตว์แต่ว่านั่งอมพันธุ์นี้เคยมีไม่มีสับตะงก 6,000 อืมนี้เอาหมดทั้ง 4 เจ้าของเข้าไปเอาเป็นความเพียรแตงเป็นเรื่องความเพียรเพื่อทําสงฆ์ที่เหลื่อมไปเสียโดยเราไม่รู้ตัวไม่ได้เป็นความเพียรก็ ถามที่เดชเพราะความมีสติมีมีการมีความมีสติมีผิดผ้องอินทรีย์สัมปทาเดชเพราะเขามีสติน่ะถ้าเรียกชอบคนโง่มันเสื่อมธรรมะชอบคนฉลาดคนมีสติปัญญามีศรัทธาในความจริงเวลานี้อยู่นี่ก็เรียกก็ก็มีความทักเปลี่ยน ยังมันตายนี้จากหลักกัปปธรรมนี้จากหลักอธิปัฏฐานอยู่กับที่นี้เพียงตัวนี้น่ะมันปกคุมห่มห่อมรรคนิพพานนี่กัปปธรรม 2 ประเภทคือทุกข์กตสมุทัยเป็นเครื่องปกคุมไม่มีตาเวทนานี่ก็เป็นเครื่องปกคุมเวทนาทุกกตนาเกิดขึ้นมันก็หลงก็ลุ่มตัวไปทุกกตนาเกิด ก็เดินคลุ้มตัวอยู่อ่ะเฉยๆเกิดขึ้นมันก็ลื่นตัวเสียนี่นว่าสิจิตใครในหน้าจิตคําจิตไม่ทราบเป็นยังไงท่านทุกคนธรรมมันทําอะไรกันขึ้นมีมีนิยามธรรมต้นๆมันก็เต็มในหัวใจเสร็จแล้วมันอยู่นิยมต้นๆ นี่ล่ะมันถึงตกปิดจิตใจได้อย่างนี้เป็นมองหาจิตไม่เจอมีแต่นี้ได้เฉยห้วงความสว่างสว่างความเปล่าเปล่าทางจิตไม่มีหาความสุขไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเทศของพระก็พระฤทธิ์หาความสุขไม่ได้นี่ทําให้จิตมาสึกให้ทุกข์อย่างไม่จะตามงานหนอเป็นต้นความทุกข์ ถ้าลำบากเพราะการวิ่งเป็นขวายเหมือนโลกก็ตามแต่จิตตังมันวิ่งเต้นขวายคว้าเอาไฟทุกคนหาไฟมาเผาตัวเองแล้วมันจะเกิดความผิดที่ไหนถ้าจิตไม่หาความสงบไม่ได้ไม่มีสุขสมณะพวกเราใจสงบได้มีสุขเริ่มมีสุขทางคิดทางแสบนี้แหละต่างๆ คืนนี้เคยฝึกขนองมันก็สงบตัวเข้ามาโหมตัวเข้ามาเมื่อจิตมีความโหมเป็นอย่างนั้นสงบความมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต่อความความบนภายนอกความอนันต์มากและปัญญาอย่างนั้นไปทีนี้เมื่อจิตมีความสงบบ้างก็เป็นบาทเป็นฐานของสมาธิขั้นนั้นแล้วขอเว้นปัญญาพิจารณาที่ขาดุญด้วยนิสังทุกขังตถาอิเทมในอนันต์เราทุกข์กินทุกข์นี้เว้น เป็นต้นหมดด้วยการรับมีการทุกข์ของหน้าตาอาการใดนี้ลักษณะใดของแต่ละที่เหมาะกับพระฤทธิ์นิสัยของเรากําหนดลงไปนี้เป็นรับได้ใส่รับอาการนี้อาการนี้อาการชั่วถึงกันหมดเรื่องมีการทุกข์ของหน้าตามันเป็นตัวมันมาก็ปฏิปัญญานี้มันจะไม่คืนเข้าอย่างมันไปถึงเหตุถึงผลถึงหลักความจริงได้ ในเราวิธีการปฏิบัติตัวเองอ่าปฏิบัติอย่างนี้ก็ฝึกด้วยเรื่อยๆเนาะทํานานๆนี้พิจารณาสัจธรรมทุกข์กสมุทัยเป็นจึงปกปิดกรรมังจิตใจมรรคคือข้อปฏิบัติสมาธิปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องบุกเบิกทางเป็นเครื่องระงับดับกิเลสปกเพกแห่งกายตินิโรธ ที่ความดับทุกข์ขึ้นมามีเท่านี้ไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางมรรคผลนิพพานนอกจากทุกขภาวะนิพพานเป็นผู้ขัดขวางซึ่งก็มีอยู่ภายในจิตใจของเรานี้เองมันไม่มีอะไรที่จะจริงจริงมีเสรีสโมมังมุบเบทางเดินเพลออุปนิพพานได้นอกจากมรรคศีลสมาธิปัญญามันก็ไม่มีอื่นอีกเหมือนกันคําว่าความดับทุกข์ดับทุกข์ถ้ามี สติปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องดับไม่มีอะไรดับได้เลยดับทุกนี้จะมีอยู่ทั้งกับสังขารทุกข์ร้อนนี้กับมีทั้งกับสังขารทุกข์ฆาตทุกข์หาที่ซึ่งจบซึ่งสุดจบซึ่งลงไม่ได้เลยถ้าเราไม่ดับมันไม่มีปัญญาพัฒนาความเพียรสติปัญญาเป็นอาวุธที่สําคัญนี้ไม่มีทางดับได้มีความเป็นอย่างนี้ เราจะเชื่อความจริงนี้จะเชื่อความปลอมความปลอมนั้นเราเชื่อมานานแล้วความจริงนั้นเราเมื่อก่อนทั่วทั้งมันได้อืมคําว่าปลอมคือไม่จริงเราอดีตอดีลาของจริงก็คือทางก็ให้แบบนี้นะการปลูกนี้ทุกคน dum de agi bari vanni non dico non hoc quidem magnum est